เมื่อรู้ธรรมอารมณ์จึงหลงลืมสติใส่ใจในนิมิตที่น่ารักก็มีจิตกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งติดใจอารมณ์นั้นอยู่เวทนาที่เกิดจากธรรมอารมณ์จำนวนมากก็เจริญแก่เขาและจิตของเขาก็ถูกอภิชาและวิหิงสาเข้าไปกระทบเมื่อเขาสังสมทุกอยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่ายังห่างไกลนิพพานทั้งหมดนั้นคือฝ่ายดำนะนี่คือวัตตะ ทั้งหมดเลยนะทั้งตั้งแต่เห็นรูปได้ยินเสียงนะดมกลิ่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องโพธาภารู้ธรรมอารมณ์เนี่ยนะจนถึงทั้งหข้อเหล่านี้เรียกว่าสองข้อสัจจะได้ไหมสองข้อสัจจะได้กี่สัจจะที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยนะรู้อารมณ์ทั้งหอารมณ์ทั้งหกเป็นสัจจะไหนทุก ข, ขสัจกําหนัดในอารมณ์นั้นเป็น สมุทยัทยสัตว์โอ้ได้สัจจะสองเลยนะเป็นไปอย่างนี้แหละสังสารวัตรเ่ยนกะ็ถ้าปฏิฆถ้าทุกอย่างเป็นปฏิฆานิมิตรนะนิพพานเห็นไม่ยากหรอกเชื่ อ, อแต่ที่มันส่วนใหญ่มันสู่ภานิมิตรไปหมดแหละ น, นี้ยากเลยนะเจนพรเพราะนั้นถ้ า, ถาคิดดูนะพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงไปแสดงธรรมกับคนที่กำลังสเสวยทุกข์อยู่นะเขาจะบรรลุอริยสัจง่ายเห็นนะ ไปแสดงธรรมในขณะที่เขากําลังเสวยสุกอยู่เนี่ยน้อยมากอว่างนั้นเอออินทรีย์ก็แก่กล้าแล้วนะอย่ น, อยนี้อย่างพราหมณ์คนห น, นึ่งใช่ไหมเขาเป็นชาวนาเนี่ยโอยตอนที่ทําไร่ไถนาหวังว่าจะเก็บเกี่ยวข้าวตรงดีอย่างนั้นอย่างนี้พระองค์ไม่แสดงธรรมซ่าคำเลยพอเมื่อเข้าวกล้าเขาเสียหายร้องไห้เอาไปแสดงอริยสัจเออบรรลุเล ย, ยนั่นนะเราเคยเขาบอกว่าอาจารย์บางท่านกล่าวอย่างนี้นะเขาบอกว่า ท่านเคยได้ยินบอกว่าสุขอริยสัตว์ไหมคำว่างั้นเคยได้ยินนะสุขอริยสัตว์โดยนยิยมีแต่ว่าพุทธพจน์ตรงๆไม่มีนะแต่ว่าสุขอริอรยสัตว์ก็คือนิพพานนั่นแหละเป็นสุขอย่างยิ่งอนะแต่ว่าไออารมณ์ทั้งหลายแล้วเนี่ยสุขเนอะอย่างงี้ยนะพระพะับ ถอะไรนะทศยาสตร์กุลบุตรใช่ไหมทุกเนาะทุกเนาะแล้วก็ไปฟังธรรมแล้วบรรลุถ้าสุกเนอสุกเนาะเอพระไม่เกี่ยวเลยนะนี่จะไม่ไปหาพระพุทธเจ้าแน่นอนนะเพราะฉะนั้นทุกเนี่ยจึงใกล้ต่อการรู้ธรรมเหมือนกันถ้าผู้ที่สะสมอินทรีย์มานะแต่ถ้าคนไม่ได้สะสมบุญมายิ่งทุกมากยิ่งห่างธรรมเห็นไะหแต่ถ้าคนมีอินทรีย์แก่กล้านะมีบุญเก่ามาเยอะมีปัญญาเ ม, มาียบเขาได้รับความทุกขเมื่อไหร่นะ เขาจะหาทางออกนแต่ถ้าไม่ได้สะสมมาเนี่ยนะก็จะตะกุยตะกายไปหาทุกกองใหม่ขึ้นมาอีกนะต่อไปนะมาเอาเมื่อกี้เนี่ยพูดฝ่ายดำไปแล้วนะพูดถึงสังสารวัตไปแล้วคือพูดทุกข์กสมุทัยไปแล้วทีนี้มาเอานิโรธกับมรรคบ้างบุคคล น, นั้นเห็นรูปแล้วมีสติสตินี้รูปนี้เป็นสัต์จากไหนทุกข์ ร, รัตใช่ไหม รูปเป็นทุกขสัตว์สติเป็นสัตวจระไนสัมมัสสัตว์นะบุคคลเห็นรูปแล้วมีสติไม่กำหนัดในรูปมีจิตคลายกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นวิราคะนะคลายกำหนัดนีแต่ก่อนที่วิราคะจะเกิดอริยมรรคต้องเกิดเนี่ยนะอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทั้งไม่ติดใจอารมณ์นั้นอยู่เมื่อเขาเห็นรูปและเสวยเวทนาอยู่สุขยอ่อมทุกย่อมสิ้นไป ไม่ถูกสั่งสมไว้ชันใดเขาก็เป็นผู้มีสติเที่ยวไปชันนั้นเมื่อเขาไม่สั่งสมทุกอยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าอยู่ใกล้นิพพานอันนี้สายมกษัตย์กับนิโรธสัตต์บุคคลฟังเสียงแล้วมีสติไม่กำหนัดในเสียงมีจิตคลายกำหนัดเสเวยอารมณ์นั้นทั้งไม่ติดใจอารมณ์นั้นอยู่ เมื่อเขาฝังเสียงและเสวยเวทนาอยู่ทุกย่อมสิ้นไปไม่ถูกสังสมไว้ฉันใดเขาเป็นผู้มีสติเที่ยวไปฉันนั้นเมื่อเขาไม่สังสมทุกอยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าอยู่ใกล้นิพพานก็บอกว่าทุกย่อมสิ้นไปไม่ถูกสังสมไว้ฉันใดก็มีสติเที่ยวไปฉันนั้นผู้ต่อพจน์ตอนต้นเลยเนี่ยนะเขาบอกว่า ถ้าหากว่าสีนั้นเนี่ยนะไม่เคยเห็นมาเลยไม่ใช่กำลังเห็นไม่คิดจะเห็นด้วยถามว่าจะมีโลภะในสีนั้นไหมไม่มีอันนี้ก็เหมือนกันถ้าปฏิบัติได้อย่างนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับสีไหนๆแล้ววิจัยสีเหล่านั้นนั้นเป็นต้นโดยแยกคลายทั้งหมดแล้วก็มีสติในอารมณ์นั้นก็จะไม่ติดไม่พอใจในในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดงก็ใกล้นิพพาน รู้อัศาธาละอาทีนวะของอารมณ์นั้นทั้งหมดพราะบอกว่าพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่รู้ว่ากามเนี่ยมันวิจิตท่านรู้นะเพรา ะ, ระท่านก็บอกว่าเออกามในโลกเนี่ยเป็นของวิจิตนะแต่ว่าเหมือนหัวงูเหา่านะมีลวดลายน่าดูนะถ้าคนไม่รู้จักงูพิษเนี่ยนะเขาจะบอก oh, ugh, นะโอ้โหนี่ดีเนาะงามงามโอ้โหดูลายสิมีดอกจันเนี่ยนะลิ้นสองแฉกแผ่ออกมาเนี่ยหุ้งามออกใช่ไหถ้าคนไม่เคยรู้เรื่องงูพิษมาเลยนะ เขาจะบอกว่ามันดีนะนั่นแหละพระธรันทั้งหลายท่านก็บอกว่ากามทั้งหลายเหมือนกับหัวงูเห่าเขาว่างแ้นท่านก็มองเห็นไอ้ลวดลายนั้นท่านก็มองเห็นหมดในความวิ จ, จิตของอารมณ์แต่ท่านมองว่ามันมีโทษเกินไปที่จะไปเพลดิดเพลินในหัวงูเห่าว่างัน้นคือคื อ, เ, อ, อเราฟังการเจริญวิปัสสนาตามแนวนี้แล้วนี่นะครับคือคือปริญญาเนี่ยนะ คือแนววิจัยแบบปริญญาคือรอบรู้ในปริญญาตั้งแต่ยาตปริญญาซึ่งเป็นการวิจัยต้นๆ น, น, น, นะจนกระทั่งตีละละปริญญาแล้วก็ปะหานะปริญญาเนี่ยเป็นการวิจัยอย่างละเอียดนี่นะครับจึงทำให้เกิดการปล่อยวางการละได้ไมิใช่ว่ามันจะละได้โดยเหตุอื่นแต่มันจะละด้วยเหตุผลว่าเมื่อวิจัยแล้วไปพบสิ่งที่มันเป็นโทษเป็นทุกข์เป็นพิษ กับชีวิตสิ่งเหล่านั้นเราจึงปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นนี่เป็นเหตุเป็นผลที่ที่เอาอย่างไงไหมไม่คนถ้ามองเห็นว่าไฟนี่มันร้อนสมมติว่าเด็กๆ เ, เนี่ยนะเขาเห็นไฟเนี่ยเขาไม่รู้เร่าไฟมันร้อนถามว่าเขาคิดจะจับไฟไหมกับผู้ใหญ่ที่รู้เรื่องไฟเป็นอย่างดีไม่จับไฟนี่ต่างกันไหมเด็กเนี่ยเขาเห็นไฟนะแต่เขาคิดว่าเขาจะต้องไปจับให้ได้สัั้ง แต่ผู้ใหญ่เห็นไฟเนี่ยนะจะไม่เหมือนกันนะเพราะผู้ใหญ่เห็นโทษภัยของไฟที่จะแพดเผาเหล่านั้นนั้นอยู่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะท่านก็จะมองเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสโพธพภพธรรมรมณเนี่ยถูกไฟไหม้นะพระพระผู้ปฏิบัติธรรมหรือว่าพระอารหันต์ทั้งหลายท่านจะเห็นอารมณ์ทั้งหกถูกไฟไหม้ใช้คำว่าไฟนะไฟมีเท่าไหร่สิบเอ็ดนะ อ้าวสก็แล้วกันอคีอคีไฟราคคินาไฟคือราค่าก็จะเผาในเมื่อเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นถ้าเสียใจในอารมณ์นั้นไฟคือโทสะก็แผดเผาเมื่อไม่รู้ความจริงของอารมณ์นั้นไฟคือโมหะก็เผาในอารมณ์นั้นเนี่ยนะถูกชาติและถูกชาตเนี่ยนะกลุ่มรวมอยู่ถูกพยาธินะบันทรมรณะห้ามหันว่างั้น แล้วก็อาศัยอารมณ์นั้นทําให้เกิดทุกโทมนัตอุปาญาตนะิโสภาปริเทวะทุกขโทมานัตอุปาญาติก็จะกลุ่มรุมเพราะอารมณ์นั้นๆบ้านหลังเดียวเนี่ยนะเพราะว่าถ้าพูดไปเนี่ยนะเป็นทั้งชาติชราพยาธิมรณะแล้วก็ไฟคือราคะโทสะโมหะแพดเผาอยู่ในอารมณ์นั้นนั้นหมดเพราะฉะนั้นอารมณ์ใดๆก็ตามถ้าให้ความเพลิดเพลินมากอารมณ์นั้นก่อให้เกิดอุปาญาตที่มากที่สุดเลยวนะคือถามว่าทําไมต้องไปวิจัยด้วย ตบบอกว่าอารมณ์บางอย่างนั้นเห็นยากเห็นว่ามันเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยกับเรานี่ยากบางอย่างเห็นชัดเจนเห็นง่ายเช่นตัวโทสะก็ดีหรือว่าทุกขเวทนาทางกายทางใจก็ดีเห็นง่ายแต่บางอารมณ์นั้นเห็นยากแล้วก็ถ้าไม่วิจัยไม่อาศัยพระพุทภาคทรงแสดงไว้ไม่สามารถจะมองเห็นเลย ไปการละราคะโทสะโมหะเนี่ยนะราคะโทสะโมหะเกิดที่ไหนเกิดที่ใจใช่ไหมก็เกิดที่ใจก็ต้องละที่ใจสิแต่เขารู้เรื่องใจน้อยไปถามว่าทำไมจึงกล่าวอย่างนั้นกล่าวว่าเพราะใจที่มีโทสะเกิดเนี่ยใจนั้นมีอะไรเป็นอารมณ์ใจที่มีโลภะเกิดเนี่ยนะจริงอยู่ไออกุศลเกิดที่ใจแต่ถ้าเขาไม่รับรู้สิ่งใดเนี่ยนะโลภะโทสะโมหะจะเกิดไหมไม่เกิด เพราะฉะนั้นโลภะเนี่ยเกิดเพราะรู้อารมณ์โทสะเกิดเพราะรู้อารมณ์โมหะเกิดเพราะรู้อารมณ์ที่รู้อารมณ์นั้นแต่รู้ด้วยอานาจวิปลาธรรมรู้ด้วยอานาจของบาปอกุศลไม่รู้ความจริงของอารมณ์ถ้ารู้ความจริงของอารมณ์อย่างตลอดสายโลภะจะไม่เกิดถ้าไม่มีโลภะเกิดในอารมณ์นั้นนะโทสะจะไม่เกิดเลยยกตัวอย่างเช่น ถ้าขณะนี้นะถ้าโดยสถิติทั่วไปเนะี่ยหนึ่งวินาทีน่าจะมีคนตายหนึ่งคนนะนะต่อชั่วโมงหนึ่งเนี่ยจะตายหลายคนมากในทั่วโลกเลยนะ <Okay. S 1> อา้าทุกๆุกวินาทีน่าจะมีตายสักคนหนึ่งเนี่ยนะด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามจะต้องมีตายตลอดเฉพาะคนเนี่ยนะถามว่าทำไมเรามานั่งเฉยๆอยู่ได้น่าจะเสียใจใช่ไหมแต่ถ้าบางคนตายเนี่ยมานั่งอย่างนี้ได้ไหมล่ะ ได้โอ้มาก็ตาโบมนั่นแหละนั่นนะเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นของเข้าไปนั่นแหละที่เสียใจหรือดีใจเป็นต้นเนี่ยเพราะมันได้เกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้นๆเพราะเข้าไปยึดถือในอารมณ์นั้นนั้นอย่างเช่นเดราชานเนี่ยนะพวกสัตว์เดราชานพวกมดพวกปลวกเนี่ยนะอาจจะตายโหข้างละสิบล้านอย่างเงี้ยนะเขาพ่นยาไปทีหนึง่งตายเป็นสิบสิบล้านอย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมเราเฉยเฉย ไม่รู้สึกเสียใจในสิ่งเหล่านั้นนัน<ๆ>เลยนะเนี่ยนะถ้าภูเขามันระเบิดเนี่ยโหระเบิดใหญ่โตเหลือเกินก็เฉยเฉยแต่ไม่ได้แต่ถ้าพวกรถเรานี่อะไรมาเสียดสีนิดหน่อยนี่ไม่ได้เพราะไอ้ความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆนั่นเองอารมณ์นั้นๆก็เลยก่อให้เกิดปฏิฆะความขัดเคืองยกตัวอย่างอย่างนางปตาจาราเนี่ยนะ นางเพลิดเพลินในตอนแรกก่อนเพลิดเพลินในสามีก่อนมีสามีใช่ไหมสามีตายอ่ชักยิ้มไม่ออกแล้วนะลูกก็เล็กพึ่งคลอดด้วยเห็นไหเรียกว่าอุ้มคนหนึ่งจูงคนหนึ่งไปจะไปข้ามน้ำอีกอ่ะไอ้ลูกที่วางไว้บนบ ก, กให้รอแม่แล้วก็เดินลุยน้ำไปเอาลูกไปวางไว้อีกฟากหนะไอ้ลูกเล็กมายืนกลางน้ำอีกฟากหนึ่งเ ย, ยวมาฉาบไปมาโฉบมนันนกตัวใหญ่ๆนะมาเอาไอ้ทารกเพิ่งเกิดเนี่ยนะ กับอีกฝากหนึ่งเนี่ยลูกก็วิ่งมาตกน้ําหายไปต่อหน้าต่อตาไอ้นี่ก็โอยมันเพราะคิดว่าอย่างน้อยที่สุดก็หวังว่าจะน้อยก็ยังมีลูกใช่ไหมสามีจากก็ไม่เป็นไรก็ยังเหลืออยู่ลูกเอาลูกตายนี้จากทั้งคู่อีกแล้เสียใจมากแต่ก็ยังพอมีหวังหวังว่าพ่อแม่พี่ชายยังอยู่จะกลับไปหาพ่อหาแม่หาพี่ชายไปในระหว่างทางถามคนว่าเศรษฐีบ้านนั้นยังอยู่ไหม ก็บอกโอยอย่าถามถึงอย่าถามถึงเศรษฐีบ้านนั้นเลยก็บอกทำไมก็ อ, อ้อนบอนถามไปก็บอกท่านเห็นไฟที่กำลังลุกนะมีควันตลบอยู่ไหมก็บอกว่านั่นแหละเศรษฐีนี่เมื่อคืนเนี่ยพายุถล่มเหมือนกนเถอะตายทั้งคู่เลยทั้งสามีภรรยาลูกชายตายเกลี้ยงเลยนั่นอะ่ะกำลังเผาในเชิงตะกรเดียวกันควันกำลังพุ่งเลยกันนะฟุบเลยะนะก็คร่าครวนะคะนี้ก็ราพันเนะ จะเอาแต่ปฏิฆานิมิตมาคิดตลอดสามีก็ตายลูกก็ตายพ่อแม่พี่ชายเผาเชิงตะกอเดียวกันมีแต่ความคิดอันเนี้นะรับอารมณ์นั้นนั้น่ะเพ้อเลยเขาบอกว่าปะแปลว่าตกประจ า, จาระอาจาระนี่ตกไปมันญาตินี้ตกไปเลยขนาดท่ายังรักษาไม่ได้ก็เรียกปตาจาราก็ไปร้องให้ไปเรื่อยไปเนี่ยนะร้องให้กลุ้มรุม่นั่นแหละเขาบอกว่าด้วยผลของความเพลิดเพลินนั้นๆแต่เด็ก เด็กเนี่ยนะตายมากนะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเด็กตายปีหนึ่งเนี่ยเฉพาะเด็กตายเนี่ยประมาณยี่สิบล้านเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยนะถ้าบอกว่าประมาณยี่สิบล้านที่ตายตายเนี่ยแต่ทําไมไม่เห็นใครเราไม่เห็นเสียใจยเลยนะยี่สบล้านเนี่ยเฉยเเมื่ อ, อเด็กทั้งลายเนี่ยนะตายแบบนั้นทําไมไม่เสียใจเอาเด็กสูงไอ้โตกว่านั้นอีก อย่างเช่นอนุบาลรถเด็กอนุบาลถูกชนตายเราก็เฉยๆก็ไม่เห็นเสียใจยถ้าว่าโอ้โหเชิงตะกอนเนี่ยนะหรือว่าไอ้ตามเมนต่างๆก็เผากันอยู่ทุกวันทําไมเราไม่เสียใจยในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ตายตาย ต, ายตังย้งเยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวก็ถ้าถ้าอยู่ที่วัดเนี่ยนะถ้าอยู่ที่หนองปลิงเนี่ยนะเดี๋ยวถ้าทิศใต้เดี๋ยวก็ตุ้มมาอันนเผาไปอีกศพหนึ่งแล้วแล้วข้างหลังมาตุ้มมเอั น, นี้เผาอีกศพหนึ่งฝั่งโน้นตุ้มมาในแสดงว่ามีเขาจะจุดพลุใช่ไหมก็จะเผาไปด้วยมาเนี่ยเฉยๆ แต่ถ้าบอกโอ้โหยากตายไนอะ้ชักไอ้ชักยุ่งแล้วนะเพราะแสดงว่าอารมณ์ใดที่ให้ความเพลิดเพลินกับเรามากอารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์มากแต่ว่าอย่าลืมว่าในอารมณ์นั้นนะั้นะถ้าไม่ใคร่ครวรไม่พิจารณาให้รอบคอบอารมณ์เหล่านั้นจักต้องมาถึงเราเป็นแน่แท้ใช่ไหพระนรนเนี่ยท่านไม่ได้เคยคิดเลยว่าท่านจะพรากจากพระพุทธเจ้า ท่านเป็นพระโสดาบันเนี่ยท่านบอกเมื่อไร่พระพุทธเจ้าป่วยเนี่ยท่านเนี่ยโอ้ยกรกวัตทิศทั้งหลายไม่ปรากฏเลยว่างั้นเพราะคิดว่าจะจะได้ปรนิบัติได้รับใช้ได้อุปถาไปเรื่อยเลยอ่ะนะอันนี้จะสัญญาไม่เอามาเจริญหรอกก็จเจริญแต่พวกศรัทธาไปเรื่อยเรื่อยรอยไม่เคยคิดว่าจะต้องจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าป่วยอย่างงี้ก็โอ้ยผ่านนนเนี่ยเรื่อง น, น้ําลายแทบไม่ค่อยลงอ่ะนะพอบอกว่าพระพุทธเจ้าจะนิพพานคืนเนี่ยนะ ก็สลักเพชรร้องให้อย่างเดียวเลยว่างั้นโอ้ยอายุแปดสิบเป็นพระโสดาบันเนี่นะร้องให้โอ้ยมีธรรมะไหนมั่งที่ท่านไม่เคยฟังใช่ไหมธรรมะไหนมั่งที่ท่านไม่เคยฟังท่านฟังหมดเรื่องอะ่ะแปดหมืนสี่พันประธรรมขันนี่อยู่ในลิ้นด้วยนะเขาบอกว่ามาจะบอกว่าคําว่าลิ้นนี่ก็คืออยู่ที่ใจเพราะใจเป็นเหตุให้ลิ้นพูดออกมาว่างั้นไม่มีอะไรที่ท่านไม่ได้ยินท่านได้ยินหมดเลยแต่ทําไมท่านจึงร้องให้ เพราะท่านไม่ได้เจริญส่วนนี้หรือนางวิสาขาเนี่ยนะหลานร้องหลานตายเนี่ยโอ้ยร้องให้ผ้าเปียกผมเปียกเข้าไปฝ้าพระผู้มีพระภาคหรือว่าอนาถาบินทิกาเนี่ยลูกสาวตายก็ร้องให้ที่ร้องให้เพราะความเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆมาก mm hmm. ะนะให้ให้เพราะอารมณ์นั้นนั้นให้ความเพลิดเพลินมากผละจะต้องใคร่ครวญให้มากๆไว้ก่อนถ้าเจริญมรณานุสติเป็นต้นเนี่ยนะไคร่ครวนถึงความไม่ ไม่คงทนทาวรของอารมณ์ถึงความแปรเปลี่ยนไปของอารมณ์โยมคนหนึ่งเขาเล่านะเขาบอกเขาเจริญมรณานุสติมากเขาบอกว่าถ้าลูกคนนี้เขาตายลูกเขาตัวเล็กๆผู้ชายเขาก็ส่งเสียลูกเขาเรียนอยู่แต่ถ้าเขาตายนิโยมคงไม่เสียใจหรอกครับว่าเพราะเขาาค่อนข้างเจริญมรณานุสติค่อนข้างมากนะแต่เป็นลูกชายคนเล็กเขาอายุเนี่ยเรียนป .1 ป .2 เนี่ยเขาบอกว่าทั้งเขาตายเขาคงไม่เสียใจ เพราะเขาคิดเรื่องพัดภาคเรื่องอะไรค่อนข้างบ่อยมากอย่างนั้นเถะงนั้นถ้าเจริญมากๆแล้วนะจะไม่รู้สึกเสียใจกับอะไรถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยนะเรื่องธรรมดาอย่างในชาดกเรื่องหนึ่งใช่ไหมอ้าวตอนเข้ามาเกิดก็ไม่ได้เชิญเข้ามาทีเข้าไปเขาไม่เห็นลาเราเลยอย่างนั้นก็เจริญแบบนี้บ่อยๆกันนะแม่นะก็เจริญไปอย่างนั้นอ้าวเขาบอกว่างูลอกคราบแล้วเขายังไม่เสียดายของเขาเขายังไปได้เราจะไปเสียใจทําไมอย่างเงี้ยนะ อันถ้าคนที่เจริญมรณ า, านุสติบ่อยๆก็จักไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่กังวลจนเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ปล่อยประละเลยจน โ, โหยบุญกุศลอะไรไม่ทําสักอย่างเนี่ยนะเลยไม่รู้อะไรเป็นมงคลอัปมงคลเนี่ยปล่อยวางอย่างเดียวมันถ้าหากว่าปล่อยวางอย่างเดียวเนี่ยจริยธรรมต้องดีนะก็มีโยมคนหนึ่งเนี่ยฟังเรื่องปล่อยวางจากพระไปเยอะครวงภรรยาไม่สบายไม่ดูแลเลยโอ้ยปล่อยวางหมดแล้วเข้ามา นี่มีนะมีจริงๆด้วยที่ประเทศลาวไม่ใช่ไทยหรอกที่ประเทศลาวมีพระองค์หนึ่งไปทูดงประจาริกอยู่ทางโน้นก็สอนเรื่องการละวางการปล่อยวางโยมก็มาซ่องเสพกับพระมากพระก็สอนเรื่องปล่อยวางนี่แหละไม่รู้สอนอยังไงไม่รู้ผลออกมาว่าแม่บ้านไม่สบายก็บอกไม่ดูแลไม่สนใจภรรยาเลยมาอยู่วัดอย่างเดียวคือวางบางอย่างแล้วมา ย, ยึดบางอย่างยังไม่รู้ตัวว่ากําลังยึดใหม่อยู่ ทีนี้พวกลูกๆ ก, ก็ชักไม่ค่อยชอบแล้วว่าพ่อนี่ไม่รู้จักรับผิดชอบไม่รู้จักสนใจเนี่ยนะกลายว่าเขามองเป็นอื่นไปเลยคือหมายความว่าจะเอาหลักธรรมชั้นสูงโดยที่มองไม่เห็นหลักธรรมชั้นต่ําเลยนะมองไม่เห็นการบำรุงเลี้ยงดูซารสงเคราะห์บุตรภรรยาเป็นต้นซึ่งเป็นมงคลนะมันจะไปเอาเห็นอริยสัจข้อสุดท้ายเลยมงคลข้อตน้ตนๆไม่รู้ซากอย่างอันนี้มีโทษนะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้การปล่อยวางไป็นต้นก็จะต้องเข้าใจว่าไอ้ปล่อยเนี่ยปล่อยอะไรวางเนี่ยวางอะไร อันท่านพระพุทธเจ้าสอนให้พระอ น, นุลปล่อยวางแล้วทำไมพระอ น, นุลไปอุปถักค์พระพุทธเจ้าเลือกเกินน่ะวันหนึ่งเนี่ยนะเดินรอบเก้ารอบเดินเดินดูแลพระ ก, กุฏีเนี่ยนะวันละเก้ารอบอย่างเงี้ยไปสู่ที่อุปถักค์ไปสูป่ไปที่บํารุงอยู่วันละเก้าครั้งอ่ะเอาถามว่าทําไมไม่ปล่อยวางอ่ะเอาพระ อ, องค์ก็อยู่ของพระ อ, องค์พระอ น, นุลก็อยู่ของพระอ น, นุลไปจะได้ปล่อยวางกันเอารุ ก, ก็ไม่ต้องดูแลพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่ต้องดูแลลูกต่างคนต่างปล่อยวางให้หมด ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะไอ้ปล่อยวางบางอย่างเนี่ยหมายความว่าวางตันหาและทิฏฐิแต่ก็ในขณะเดียวกันก็รู้ด้วยว่ากุศลศีลเนี่ยจะเว้นบาปเจริญบุญเนี่ยนะเจตนาศีลเนี่ยเว้นจากบางอย่างแล้วเข้าไปประพฤติบางอย่างเนี่ยนะแม้แต่หลักศีลเนี่ยก็ยังบอกแล้วตั้งกระต้นแล้วว่าควรจะประพฤติปฏิบัติใน ธรรมะเหล่านั้นนนั้อย่างไรแล้วมองอารมณ์เหล่านั้นตามความเป็นจริงของอารมณ์เหล่านั้นสงเคราะห์อารมณ์เหล่านั้นโดยอริยสัจแต่ในขณะเดียวกันไม่ใช่ว่าไม่รู้จักของดีของชั่วของสูงของต่ำของดำของขาวอะไรไม่ออกสักอย่างไม่ใช่อย่างนั้นนะเจริญไปเจริญมากลายว่าเอ๊ะชักไม่รู้อะไรสักอย่างเลยนะมีแต่ปล่อยวางเอาหนักเข้าจริงๆพอจะจุติปฏิสนธิแต่ปล่ไม่ได้แล้วคะันนี้จะไปเดือดร้อนใจในภายหลังน่ะน่เพราะนั่นไอการปฏิบัติธรรมเนี่ย บางทีก็บอกว่าเหมือนกับการกินยานั่นแหละถ้าหากว่ากินไม่ถูกสูตรมันก็มีโทษกินไม่ถูกหลักกินไม่ถูกไม่ถูกช่วงะนะกินไม่ถูกขั้นตอนก็มีโทษชั้นใดาการศึกษาและปฏิบัติธรรมก็จะละักษณะนั้นที่จริงคำสอนไม่มีโทษแต่บุคคลจับคำสอนไม่ดีศึกษาคำสอนไม่ตลอดสายก็จะมิจฉาทิฐิได้ก็บอกว่าพระวินยัยถ้าปฏิบัติไม่ดีทุศีลพระสูตรถ้า ปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติผิดในพระสูตรเป็นมิจฉาทิถิอภิธรรมถ้าปฏิบัติผิดพลาดฝูงซ่านอะไงี้ยทุกอย่างมีโทษหมดเลยแต่ถ้าคุณน่ะรักษาศีลดีวิชาสามถ้าหากวารรา่าปฏิบัติชอบในพระสูตรอภิญยาหกถ้าปฏิบัติชอบแนวอภิธรรมปฏิสามภิธาสีทีนี้ในทวารอื่นๆก็เหมือนกันเนี่ยนะฟังเสียงแล้วมีสติดมกลิ่นแล้วมีสติ ลิ้มรสแล้วมีสติถูกต้องภาษะแล้วมีสติบุคคลรู้ธรรมอารมณ์แล้วเนีย่ยนะมีสติไม่กำหนัดในธรรมารมณ์มีจิตคลายกำหนัดเสวยอารมณ์นั้นทั้งไม่ติดใจอารมณ์นั้นอยู่เมื่อเขารู้ธรรมอารมณ์และเสวยเวทนาอยู่ทุกย่อมสิ้นไปไม่ถูกสั่งสมไว้ฉันใด เขาเป็นผู้มีสติเที่ยวไปฉะนั้นเมื่อเขาไม่สั่งสมทุกขอยู่อย่างนี้บัณฑิต ก, กล่าวว่าอยู่ใกล้นิพพานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วโดยย่อโดยพิสดารอย่างนี้ท่านสงเคราะห์ธรรมะเหล่านี้ลงอริยสัจได้พระพุทธเจ้าสาธุสาธุดีละเนี่ยนะบาลีว่าสาธุสาธุพระพุทธเจ้าสาธุเลยะนะ มาลุกะยะบุตรดีแล้วที่เธอรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งธรรมะที่เราแสดงแล้วโดยย่อโดยพิสดารอย่างนี้ว่าองก็ตรัสตามที่พระมาลุกกยะบุตรกล่าวนั่นแหละมาลุกกยะบุตรเธอพึงเห็นเนื้อความแห่งธรรมะที่เราแสดงแล้วอย่างโย่อโดยพิสดารอย่างนี้เถิดครั้งนั้นท่านพระมาลุกะยะบุตรชื่นชมยินดีพระภาสิตของพระผู้มีพระภาคลุก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 ชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกกิจแห่งพรหมจรรย์คือกิจในการเจริญศิขาสามไม่มีสําหรับท่านแล้วอันหนึ่งท่านพระมาลุกะยะบุตรได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายท่านนับเนื่องในอสีติมหาสาวกนะหนึ่งในแปดสคือพระมาลุกะยะบุตรองค์นี้อยู่ในหนึ่งแปดหนึ่งในแปดสิ อ, อตาตรถานไม่ได้บอกแต่ถ้าไม่นานนักของพระรัฐบาลในสิบสองปีเออสิบสองปีเมื่อเทียบกับสังสารวัตรแล้วไม่นานนักนะอานัยยะอย่างเดียวนัยยะอย่างเดียวเพราะว่านี่มาตั้งใจจะปฏิบัติตอนอายุมากแล้วตอนหนุ่มๆโมแต่เพลิดเพลินอยู่นวลั้นตอนต้นที่พระ อ, องค์ทั้งกำหนดด้วยทั้งปลอบด้วยอยางโอตรงเวลาเป๊ะเลย